สวัส ด, ดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบานนะครับในเช้านี้เราอยู่ในชุดเรียชูตอนที่404ร่างเท้าตอนที่3พระวจนะของพระเจ้าอยู่ในพระธรรมยอห์นบทที่13ยอห์นบทที่13ข้อที่8จนถึงข้อที่15เปโตทุนพระองค์ว่า พระองค์จะทรงล้างเท้าของข้าพระองค์ไม่ได้พระเยซูตรตัสกอบเขาว่าถ้าเราไม่ล้างท่านแล้วท่านจะมีส่วนในเราไม่ได้ซีมอนเปโตทูลพระองค์ว่าพระองค์เจ้าข้ามิใช่แต่เท้าของข้าพระองค์เท่านั้นแต่ทรงโปรดล้างทั้งมือและศีรษะด้วยพระเยซูตรตัสกอบเขาว่าผู้ที่อาบน้ําแล้วไม่จําเป็นต้องชําระกายอีกล้างแต่เท้าเท่านั้นเพราะสะอาดหมดทั้งตัวแล้ว พวกท่านก็สะอาดแล้วแต่ไม่ใช่ทุกคนเพราะพระองค์ทรงทราบว่าใครจะอายัดพระองค์ไว้เอฉะนั้นพระองค์จึงตรัสว่าท่านทั้งหลายไม่สะอาดทุกคนเมื่อพระองค์ทรงล้างเท้าเขาทั้งหลายแล้วพระองค์ก็ทรงฉลองพระองค์และประทับลงตรัดกับเขาว่าท่านทั้งหลายเข้าใจในสิ่งที่เราได้กระทําแก่ท่านหรือท่านทั้งหลายเรียกเราว่าเป็นพระอาจารย์และเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าท่านเรียกถูกแล้ว เพราะเราเป็นเช่นนั้นฉะนั้นถ้าเราผู้เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและพระอาจารย์ของท่านได้ล้างเท้าของพวกท่านพวกท่านก็ควรจะล้างเท้าของกันและกันด้วยเพราะว่าเราได้วางแบบอย่างแก่ท่านแล้วเพื่อให้ท่านทำเหมือนดังที่เราได้กระทาแก่ท่านด้วยพี่น้องครับในเช้าวันนี้ผมจะอธิบายถึงการล้างเท้าเป็นตอนสุดท้าย การล้างเท้าได้กล่าวไว้เมื่อสองครั้งว่าเป็นเวลาที่พระเจ้าพระเยซูนั้นได้แสดงออกถึงความถ่อมใจและการเป็นผู้รับใช้ของพระองค์และที่นี่พระเยซูได้กล่าวว่าพระองค์ได้ทรงวางแบบอย่างแก่พวกเราในข้อ15่ห้าครับพระเยซูตรัสว่าเพราะว่าเราได้วางแบบแก่ท่านแล้วเพื่อให้ท่าน ทำเหมือนดังที่เราได้กระทาแก่ท่านด้วยพี่น้องครับถ้าเรากลับมาดูในข้อที่สิบสี่เราจะเห็นว่าพระเยซูนั้นทรงเรียกตัวเองว่าเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและพระอาจารย์ของท่านถ้าเราดูกลับมาอีกข้อหนึ่งถอยขึ้นมาในข้อที่สิบสามเราก็รู้ว่าพวกสาวกของพระองค์ เรียกพระเยซูว่าเป็นพระอาจารย์และเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าคำว่าพระอาจารย์และองค์พระผู้เป็นเจ้าในภาษาฮีบรูก็แปลว่าเป็นครูนะครับเป็นครูและเป็นมาสเตอร์หรือคำว่าโลดนะครับคำว่าครูก็คือเป็นคนสอนอัปเรบได้กับกัปใบหรือรับดี ก็คือเป็นครูผู้สอนเป็นตำแหน่งแต่คำว่าลอดหรือองค์พระบุนเจ้านั้นก็คือหมายถึงการยอมรับนับถือครับในสมัยก่อนคนยิวนั้นก็มักจะเรียกคู่กันว่า My teacher and my l o ล d ก็คืออาจารย์หรือพระอาจารย์และและมาสเตอร์หรือลอดก็คือเจ้านายเพราะฉะนั้น คำว่าองค์พระผู้เป็นเจ้านั้นก็จะเป็นคำแปลคําคำหนึ่งของคำว่าโลดครับโลดนอกจากแปลว่าเจ้านายแล้วก็สามารถแปลว่าเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้ า, าได้ด้วยแต่จุดเน้นในข้อที่สิบสามและข้อที่สิบสี่ต่างกันครับพระเยซูบอกว่าพวกเขาเรียกว่าพระอาจารย์และองค์พระผู้เป็นเจ้ า, าก็มีความหมายครับว่าพวกเขานั้นคิดถึงว่าพระเยซูนั้นเป็นครูของเขาเป็นเจ้านายของเขา แตในขณะเดียวกันครับเมื่อพระเยซูตอบในข้อที่สิบสี่พระเยซูตอบสลับกันครับพระเยซูตอบว่าฉะนั้นถ้าเราเป็นเราผู้เป็นองค์พระบู้เจ้าและพระอาจารย์พี่น้องเห็นไหมครับว่าการใช้ลำดับนี่ต่างกันพระเยซูเน้นคําว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าซึ่งมีความหมายเป็นความหมายหนึ่งของมัสเตอร์เหมือนกันหรือคําความหมายหนึ่งของค ว, ว่า lord เหมือนกันนะครับก็คือเป็นผู้ที่ ครอบครองเป็นผู้นําและเป็นผู้ปกครองสูงสุดนั่นหมายถึงพระองค์ทรงมีสิทธิทีอำนาจสูงสุดเป็นจอมกษัตริย์หรือเราเรียกว่ากษัตริย์เหนือกษัตริย์เป็น king of kings ด้วยเหตุนี้นะครับพระเยซูกาลังเน้นและกําลังบอกกับพวกสาวกว่าพระองค์นั้นเป็นพระเจ้าพระองค์ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและในขณะเดียวกันพระองค์เป็นพระอาจารย์ของพวกเขา ครับนี่คือประเด็นแรกที่เป็นประเด็นที่ผมอยากจะนำให้พี่น้องได้มีความเข้าใจประเด็นที่สองก็คือว่าการล้างเท้านั้นเป็นคมสั่งหรือไม่และการล้างเท้านั้นจะกลายเป็นพิธีศักดิ์สิทธิ์หรือเปล่าครับเหมือนอย่างที่ผมได้พูดไปเมื่อสองวันที่แล้วว่าในบางสำนักบางนิกายบางกลุ่มบางพวกนั้นก็ จะเพิ่มเติมให้พิธีล้างเท้านั้นเป็นพิธีศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเป็นพิธีที่สามครับนอกเหนือจากพิธีแบบพิศมารศักดิ์สิทธิ์และก็นอกเหนือจากพิธีมหาศีรษะศักดิ์สิทธิ์ด้วยเห็นนี้เองนะครับพี่น้องตรงนี้เราจะเห็นคําว่าควรนะครับควรในข้อสิบสี่ครับถ้าเราซึ่งเป็นองค์พระเินเจ้าและพระอาจารย์ของท่านได้ล้างเท้าของท่านพวกท่านก็ควรครับควรควรนี้ นะครับก็คือภาษาอังกฤษว่า o, o u g h t แปลว่าก็ก็ดีนะครับก็ดีแตไ่ไม่ใช่ภาคบังคับครับไม่ใช่ภาคบังคับซึ่งพระเยซูได้กล่าวยืนยันในข้อที่สิบห้าว่าโปรงได้วางแบบอย่างแบบอย่างนี้คืออะไรครับแบบอย่างนี้ไม่ได้หมายถึงการล่างเท้าตามตัวอักษรแต่หมายถึง ความถ่อมใจและการรับใช้หรือการดูแลคนอื่นนะครับการเอาใจใส่คนอื่นการรักคนอื่นการท่อมใจเข้าไปพูดคุยกับคนอื่นยอมฟังคนอื่นนี่แหละครับคือแบบอย่างของการปภนิบัติซึ่งกันและกันอันนี้เป็นประเด็นที่สองครับเพราะฉะนั้นพระเยซวูวางเป็นโมเดล หรือวางเป็นแบบอย่างในเรื่องของ Seven h o o d คือผู้รับใช้และในเรื่องของ Humiliation ก็คือความถ่อมใจและพระเยซูไม่ได้สั่งนะครับให้เราต้องล้างเท้าเป็นลักษะของพิธีการหรือพิธีศักดิ์สิทธิ์ที่น้องครับประการที่สามครับพระเยซูพูดถึงโอกาสคำว่าโอกาสนั้นซ่อนอยู่ในพระกัมพี ซึ่งวันพรุ่งนี้ผมจะได้พูดต่อครับว่าโอกาสตรงนั้นมันเกิดกับใครพี่น้องครับในเช้าวันนี้ผมอยากจะให้พี่น้องได้มีโอกาสที่จะใขข้อควรถึงการล้างเท้าของพระเยซูมีคําถามผมมาว่าทําไมการล้างเท้าจึงไม่ใช่พิธีศักดิ์สิทธิ์ที่สามนะครับผมอยากจะบอกกับพี่น้องว่ามีสามารถสรุปได้ถึงสี่ประการด้วยกันครับประการแรกก็คือ ไม่มีหลักฐานของคําสั่งของพระเยซูที่ให้ทําสม่าเสมอเป็นประจําแต่พระเยซูใช้คําว่าควรผมได้อธิบายไปแล้วนะครับประการที่สองก็คือในคริสตจักรยุคแรกและในประวัติศาสตรของคริสตจักรไม่มีการทําพิธีเช่นนี้ประการที่สามครับเรื่องการล้างเท้านั้นเป็นเพียงธรรมเนียมปฏิบัติของพวกอยู่เป็นเรื่องเฉพาะเจาะจงของกลุ่มบุคคล ประจำถิ่นเป็นประเพณีเฉพาะเพราะฉะนั้นจึงไม่สามารถที่จะยกขึ้นมาเป็นพธิธีศักษษษดิ์สิทธิ์ได้ประการที่สี่ครับหัวใจของ Parable Act หรือการกระทําใดๆที่เป็นคำสอนเปรียบเสมือนกับคำอุป ม, มาเหล่านั้นนะครับเราจะต้องเข้าถึงหัวใจของ Parable Act ให้ได้ เราไป act ในเรื่องนี้ก็คือพระเยซูกำลังสอนเรื่องความถ่อมใจและการเป็นผู้รับใช้เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าใครถามว่าเราจะล้างเท้าผิดไหมไม่ผิดครับแต่อย่ายึดถือว่าเป็นพิธีศักดิ์สิทธิ์ก็แล้วกันขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องที่รักทุกท่านให้ได้คำนึงถึงว่าเราจะต้องเรียนแบบพระเยซูในเรื่องของความถ่อมใจและการรับใช้ซึ่ง ก, ก, กันและกัน เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่พระองค์ได้ทรงวางแบบอย่างไว้โดยการล้างเท้าพวกสาวกให้เราเห็นอาเมน